พบภูมิทั้งปวงปิดบังความไร้ภพอันเป็นมหาธรรมชาติไว้โลกเต็มไปด้วยเรื่องลี้ลัปิดบงังคนเริ่มมีบุญในทางรู้ความลับคือคนที่เริ่มรู้เข้ามาในกายใจนี้เมื่อสะสมบุญไว้พอจะพบว่ากายใจนี้ปิดบังกายใจก่อนไว้และที่มีกายใจนี้ก็เพราะมีกรรมเก่า จากหลายๆกายใจก่อนออกแบบสร้างไว้ให้เป็นอย่างที่เห็นเมื่อมีบุญพอจะรู้ความลับของกายใจนี้ mm. ก็มักมีบุญพอที่จะรู้เรื่องลับของกายใจอื่นรู้ว่ากายใจอื่นก็เกิดจากกรรมเก่าเหมือนๆกันรู้ว่ากายใจอื่นกำลังสุขทุกข์เพราะอะไรหรือคิดนึกเรื่องอะไรรู้ไปจนกระทั่งว่า ทั้งกายใจนี้และกายใจอื่นเป็นเพียงพบภูมิหนึ่งในหลากหลายพบภูมิพิสดานยิ่งจบจากพบภูมินี้ยังมีพบภูมิอื่นให้ไปใช้กรรมต่อไม่รู้จบเมื่อถึงที่สุดแห่งบุญก็จะรู้ความลับอันเป็นที่สุดคือรู้ว่าพบภูมิทั้งปวงปิดบังความไร้พบอันเป็นมหาธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งไวธรรมชาติชนิดนั้น ปราศจากรูปทรงปราศจากที่ตั้งปราศจากการอุบัติและการถูกทําลายเพื่อจะทะลุไปเห็นธรรมชาติดังกล่าวต้องส่องดูพบนี้ภูมินี้คือกายใจที่กําลังปรากฏอยู่เดี๋ยวนี้ตามจริงเห็นว่าลมหายใจไม่เคยซ้ําสุขทุกข์ในแต่ละลมหายใจไม่เคยเท่าเดิมความคิดความจําไม่เคยเป็นตัวเดิม เปลี่ยนระดับความฟุ้งซ่านไปเรื่อยเปลี่ยนวิธีคิดอ่านไปเรื่อยเปลี่ยนความรู้ความจําไปเรื่อยร่างกายจเจริญขึ้นแล้วเสื่อมถอยลงเรื่อยๆรู้กระทั่งถึงจุดหนึ่งก็จะเหมือนปลดล็อกเปิดหลังคาที่เคยปิดตายมาชั่วกับชั่วกันเห็นท้องฟ้าที่เปิดเผยตัวเองมาตลอดแต่ถูกปิดบังด้วยอวิชชาทั้งสาประการคือไม่รู้ความเป็นมาของกายใจตัวเอง ไม่รู้ความเป็นอื่นได้ของกายใจตามกรรมและไม่รู้จะหลุดพ้นจากกายใจอันเป็นโครงขังนี้อย่างไรหมายเหตุเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าต้องทำลายอาวิชชามาตามลำดับรู้เรื่องอดีตชาติตัวเองรู้เรื่องภพภูมิคนอื่นถึงจะถอดสลักทาลายภพภูมิข้างหน้าของตัวเองได้ แต่เพื่อจะเป็นสาวกอย่างเราๆท่านๆเพียงรู้กายใจตามแนวทางที่พระองค์ทำให้ง่ายไว้แล้วก็มีสิทธิ์หลุดพ้นได้โดยไม่ต้องรู้อดีตชาติไม่ต้องรู้ภพภูมิของใครต่อใครเสียก่อน